เพราะฉะนั้นก็วนๆอยู่อย่างนี้เพราะความไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้แจ้งไม่แทงตลอดไม่ตรัสรู้เนี่ยนะไม่ตรัสรู้อริยสัจทั้งสี่ประการไม่รอบรู้ทุกว่าเป็นธรรมที่ควรกําหนดรอบรู้ด้วยยาตะตีรณะปริญญาไม่รู้สมุทัยว่าเป็นสิ่งที่ควรละด้วยปหานะเนี่ยนะไม่รู้ว่านิโรธควรทําให้แจ้งเรียกว่าสัจฉิกิริยาไม่รู้ว่าอริยมรต้องเจริญเพิ่มพูนทําให้ไพ่บู์และบริบูนตั้งแต่ ประชุมให้มรแปดเกิดระดับโสดาปฏิมรสกทาคามีมรอนาคามีมรและอรหัตมรเมื่อไม่รู้สัจธรรมตามความเป็นจริงทั้งสี่ประการเหล่านี้แหละเรียกว่าคนมีมีปัญญาสามเนี่ยนะมีปัญญาสามแปลตรงตัวก็คือโง่แน่แหละเนี่ยนะ แ, ะนะแต่ซึ่งความจริงมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมห้ามพูดห้ามบอกเราเด็ดขาดนะฉันรู้แล้วเนี่ยนะมันบอกตัวเองได้แต่ห้ามคนอื่นบอกเด็ดขาดเลยนะ แก่มันโงนเนนนะเ่เนี่ยนะบอกเออเนี่ยนะโอ้ยโง่นะเก่านะไม่ได้ทําให้ฉลาดขึ้นเลยใช่ไหมแปลกนะโดยมากนะถ้าอะไรที่มันเป็นความจริงแนละ้วคนอื่นห้ามบอกเราเด็ดขาดถ้าตั้งดีๆก็ดได้ถ้าจะเป็นสิ่งดีๆใช่ไหมโอ้คุณเนี่ยดีนะมีเมตตามีศรัทธามีปัญญาจริงไม่จริงไม่ ร, มรู้บอกเลยยิ้มแป้เลยนะถ้าบอกฝ่ายไม่ดีลนะ่ะคุณน่ยมันมีอวิชามีตำหนามีโอ๊ยฝั่งลราเครียดเนี่ยนะถือดียังไงมาบอกเราใช่ไหม อวิชากันหนักกระเกาอีกมันก็อวิชานี่แหละมันเป็นสิ่งที่ละยากที่สุดในจํานวนในสิ่งที่ละยากยากทั้งหลายเนี่ยนะบอกอะไรที่จะละยากเท่ากับความไม่รู้อีกแล้วเนี่ยนะปัญหาว่าเขามาว่านะไอ้ความไม่รู้เนี่ยมันก็ยากนะแต่ว่าไอ้ความไม่อยากรู้่ยากที่สุดเลยเนี่ยนะเรียกว่าเจอคนไม่อยากรู้เข้าไปนี่งเงียบเลยเนี่ยนะ หมดเลยกเรียกว่าหมดปัญญาเลยว่าเพราะเขาเพราะอะไรเพราะเขาไม่อยากรู้่นะไอ้คนหิวเราไม่ว่าแต่คนไม่อ้าปากกลืนอาหารเลยเนี่ยไม่ยอมรับอาหารตัดอาหารโดยประการทั้งปวงเนี่ยถ้าอย่างงี้เนี่ยเรียกว่ากัดปากตัวเองสังัดเลยนะนะไม่รู้จะงัดแงะตรงไหนบอกว่านั่นนะก็พุ่งอีกทีเนี่ยพ่นน้ําลายใส่หน้าเราอีกก็จบเลยก็เนี่ยว่าเรียกว่าคนที่ไม่มีวิชาทั้งหลายคนที่มีอวิชชาเนี่ยเชื่อถ้าเราพอจะบอกนะเออความจริงมันเป็นอย่างนี้งี้เนี่ยพ่นน้ําลายใส่หน้าเราเลยแหะ ต่เป็นใครอย่างนั้นพ่นควันใส่แล้วช่จะเป็นใครรู้อะไรจบจากที่ไหนเป็นยังไงเนี่ยนะเอ๊ใครถามใครกันแน่แล้วคนนี้งงเลยพรานอวิชาเนี่ยเป็นตัวที่แก้ไขา ย, ยากเนี่ยนะเปรียบเหมือนความมืดเนี่ยนะกลางคืนเนี่ยตกเป็นคืนเดือนมืดเนี่ยแก้ให้มันสว่างเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าทำง่ายไหม ท่ามกลางโลกที่มืดมิดเนี่ยนะทำให้มันสว่างขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วก็เรื่องยากฉันใดในท่ามกลางความมืดมิดคืออวิชชาที่ปกปิดเนี่ยนะเชนเช่นเราไม่รู้เรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งไม่ใช่จะแก้ง่ายๆเนี่ยนะรวมๆแล้วแก้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะไม่รู้อริยสัจยากที่จะแก้ได้แต่ท่านก็บอกวิธีเนี่ยนะบอกวิธีวิธีการที่แก้เพื่อให้รู้เห็นอริยสัจก็บอกวิธีการแบบ เรียกว่าสัจจะกรรมฐานในหน้าสองเก้าสิบหแสดงแบบอย่างสังเกตเนี่ยนะวิธีการเจริญพิจารณาเจริญกรรมฐานที่เรียกว่าสัจจะกรรมฐานสัจจะกรรมฐานคือความจริงสี่ประการเนี่ยนะความจริงสี่ประการก็คือสัจจะนั่นแหละเรียกว่าเจริญกรรมฐานเนี่ยนะวิปัสนาภูมิคืออะไรขันธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสัมบูดาและอาหารปัจจญาการเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เดี๋เป็นพวก อารมณ์ของวิปัสสนาภูมิมันก็เบื้องต้นเลยก็ต้องเรียนเรียนสัจธรรมทั้ง4ประการในชั้นแรกเลยเนี่ยนะการเจริญวิปัสสนาเนี่ยไปกําหนดโลกุตรสะสัทีเดียวเลยได้ไหมสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเนี่ยนะเป็นโลกุตระไหมบอกไม่สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นก็คืออะไรคือขัน ห, าหน่านั่นแหละเนี่ยนะเว้นตันหาสะเน เว้นตันหาเนี่ยนะในบรรดาภพสกําเนิด4ี่คติหวิญญาณที่ติ7เนี่ยนะขันอายตนะธาที่ไหลเวียนวนอยู่ในวงจรเหล่านี้เนี่ยนะเวนตันหาออกไปซะที่เหลือเป็นทุกขสัจจะหมดเลยนะที่เหลือทั้งทุกทวารเนี่ยนะอย่างเช่นเราลืมตาเห็นปรับเว้นตัวตันหาที่เพลิดเพลินนี่ซะที่เหลืออย่างอื่นเช่นตาสีจกักรคูวิญญาณภาษาเวทนาสัญญาเจตนาพวกนี้เป็นทุกขสัจจะหมด ทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็ในยะเดียวกันละตันหาไว้ในฐานที่เข้าใจกันว่าตัวตันหาตัวทยานอยากตัวนี้แหละคือสมุทยัยสัจจะถ้าดับทั้งทุกขสัจจะดับทั้งสมุทยัยสัจจะได้นั่นแหละเป็นเนโรสัรจจะวิธีการกําหนดรู้ทุกรู้ความจริงวิธีการ กำจัดเหตุให้เกิดทุกข์รู้วิธีการว่าปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติคือเป็นทางนะทางทางทางก็คือวิธีการกําหนดรอบรู้ทุก์วิธีละสมุทยัยวิธีทำนิโรธให้แจ้งนั่นแหละคือมรคนั้นท่านบอกว่าความจริงทั้งสี่ประการสัจจะสองข้อแรกคือทุกข์กับสมุทยัยนั้นเป็นวัตตะ น, นะนะวตะนิโรธกับมรเป็นวิวัตตะเนี่ยนะ ก็บอกว่าที่เกี่ยวกับใช้คําว่าสองสองอย่างเนี่ยนะทุกข์กับสมุทัยที่เรียกว่าวัตตะ ก, ก็เพราะว่าเจือปนไปกับชาติชรามรณาโศกา ป, ปริเทวทุกขโทมานัสได้อุปายาตความที่ทุกขกับสมุทัยเจือปนไปกับชาติชรามรณาโศกา ป, ปริเทวะทุกขโทมานัสอุปายาตเจือปนกับอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นนั่นแหละจึงเป็น วัตตะสองข้อหลังเป็นวิวัตตะพระนิพพานเลยอริยมรรคที่รู้ตรัสรู้พระนิพพานนั้นเป็นวิวัตตะเป็นธรรมที่เวียนคืนถอนคืนพ้นจากวัตตะทีนี้ถามว่าไอความยึดมั่นเนี่ยนะยึดมั่นด้วยตัณหามาณนะทิฏฐิมันไปยึดในนิพพานไหมตัณหายึดนิพพานไหมบอกไม่เพราะฉะนั้นวิปัสสนาถ้าจะเจริญเบื้องแรกก็จเจริญในสิ่งที่เป็นอารมณ์ของตัณหา คือขันห้าเนี่ยนะมันมีอยู่สองอย่างตามเห็นหรือว่าวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาจริงๆมี2อย่างคือทิฏฐิสมนุปัสสนากับวิปัสสนาสมนุปัสสนาทิฏฐิสมนุปัสสน า, สนนาก็คือตามเห็นด้วยอํานาจของทิฏฐิเช่นนั่นอัตตาของเราถ้าวิปัสสนาสมนุปัสสนาก็คือตามเห็นว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้น ความจริงสองอย่างเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งตันหาคือทุกขกับสมุทัยเป็นที่ตั้งแห่งตันหาแล้วไอ้ทุกขกับสมุทัยเนี่ยนะทั้งขันหา้าทั้งตันหานั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือความจริงคือทุกขสัจจะก็คืออะไรก็คือขันหา้าขันห้าเนี่ยนะก็มีอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทีนี้รูปประขันรูปปขันมันเกินทาสี่ไหมครับ รูปถ้าไม่มีท่าสีมันจะไม่มีชื่อว่ารูปประขันเลยเหตุให้เรียกชื่อว่ารูปประขันก็เพราะมีท่าสีเพราะมีดินน้ำไฟลมและดินน้ำไฟลมมันไม่สามารถจะแยกจากกันได้เมื่อไม่สามารถแยกดินน้ำไฟลมออกจากกันได้จึงไม่สามารถแยกสีแยกกลิ่นแยกรสแยกโอชาออกจากสีกลิ่นรสเอ่อแยกสีกลิ่นรสเป็นต้นออกจากท่าสี่ได้เลยและท่าสีเหล่านี้สมุทฐานมันวิจิต บางอย่างเกิดจากกรรมบางอย่างเกิดจากจิตบางอย่างเกิดจากอุตุบางอย่างเกิดจากอาหารผสมปนเปกันเข้าไปเนี่ยนะแม้กระทั่งเกิดจากอุตุเนี่ยคเรียกว่าเผาอิดเนี่ยนะถ้าเปลี่ยนองศาอิดมันก็แตกต่างกันองศาของความร้อนที่เผาฉันใดกรรมที่นำเกิดทำให้เกิดกรรมมารูปก็แตกต่างกันก็สุดแท้แต่กรรมเนี่ยนะสุดแท้แต่สภาพจิตด้วยนะอย่างสีหน้าของเราก็สุดแท้แต่ ส, สภาพจิตแล้วก็ อุตุอุณภูมิภายในเนี่ยนะพันธกรรมจิตอุตุอาหารแต่ว่ารวมย่อลงมาก็คือรูปประคันก็คือมหาภูตรูปสี่และรูปที่ประกอบหรืออาศัยอยู่กับมหาภูตรูปสี่รูปท่าดีเป็นที่ตั้งแห่งศุกรูปชั้นเลวเป็นที่ตั้งแห่งทุกรูปทั่วไปกางกลางเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยมันเป็นตัวบอกเลยเวทนาเนี่ยนะรูปเนี่ยนะถ้ารูปอย่างสมมติว่ารูปที่เป็นแผลฝีหนองเนี่ย เป็นอะไรตามเลยทุกขเวทนาถ้าตรงกันข้ามไม่เป็นแผลไม่เป็นฝีไม่เป็นหนองดีสบายสุขเวทนาใช่ไหมพาะรูปนั้นจึงเป็นที่ตั้งแห่งสุขและทุกขถ้ารูปเป็นที่ตั้งแห่งสุขโดยมากกามสัญญาถ้ารูปเป็นที่ตั้งแห่งทุกโดยมากพยาบาทสัญญาเนี่ยนะพยาปาทศสัญญาถ้ารูปเป็นที่ตั้งแห่งต้องจัดการยังไงใช่ไหันนั้นก็เป็นเจตนาใช่ไหมก็เป็นเจตนาจิตที่รับรู้ทั้งหมดก็เป็นวิญญาณเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เกิดที่ท่าสีมีท่าสีนั่นแหละเป็นอารมณ์รูปและผู้ตรูปและรูปที่อาศัยมหาภูตรูปเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามเนี่ยถ้าพูดแบบย่อๆลงมาก็เหลือแต่นามกับรูปขันห้าย่อลงมาก็คือนามรูปเนี่ยนะนามกับรูปแต่มันก็เคียงคู่กันไปใช่ไหอย่างเนี่ยตาสีจกักขวิญญาณภาษาเวทนามันแยกออกจากกันโดยส่วนเดียวได้ไหม ไม่จำเป็นต้องมีตาได้ไมไม่จำเป็นต้องมีสีได้ไหมไม่จำเป็นต้องเห็นคือคือองค์ประกอบที่จะเห็นได้มันต้องมีการประชุมกันเพราะฉะนั้นขันห้าจึงท่านบอกว่ายกตัวอย่างเหมือนตาคู่เมาง น, นันนะ่ะทีนี้เมื่อกำหนดแล้วปัจจัยของรูปและปัจจัยของนามปัจจัยของรูปก็คืออวิชาตันหาอุปาทานกรรมอาหาร ปัจจัยของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คืออวิชชาตันหาอุปาทานกรรมผัสสะและก็นามรูปเนี่ยนะเมื่อกำหนดปัจจัยอย่างนี้แล้วก็คำนวณ น, นะจำเนกสิ่งเหล่านี้เพราะขึ้นชื่อว่าขันก็ต่างโดยประเภทแห่งอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในภายนอกอยาบละเอียดเลวประนีตไกลและใกล้เนี่ยนะใส่ใจมนุิการตามลักษณะที่เป็นจริงว่า ขึ้นชื่อว่าขันเนี่ยนะก็ล้วนแต่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งใดที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปนะนะเป็นสิ้นไปนะนปรปรวนไปดับไปคลายไปแล้วก็เรียกว่ากว่าจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาสําเร็จแต่ในที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็สลายไปแตกไปดับไปกระจายไปเนี่ยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาสิ่งใดที่ไม่เที่ยงไอเรียกว่า กว่าจะสร้างสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะยากไหมบอกว่ายากดูแลไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงเนะี่ยยากกว่าเยอะเนี่ยนะเขาดูแลยังไงมันก็อธิบายว่าอย่างสมมติเราเปรียบเหมือนว่าจุดไฟเนี่ยนะจุดไฟให้มันสว่างไฟแต่เกียงเนี่ยนะหรือจุดเทียนในในลมแรงเนี่ยนะจุดให้มันติดก็ยากแต่รักษาให้ไฟมันติดต่อกันต่อไปเนี่ย ยากขึ้นไปอีกถ้าต้องเอามือไปปิดไปบังเนี่ยนะถ้าอยู่แค่นั้นเนี่ยนะจุดให้มันติดก็ยากไอรักษาให้แสงสว่างมันต่อเนื่องก็ยากแล้วมีอำนาจอะไรมาควบคุมเลยจริงๆไหมล่ะเนีย่ยนะว่าสิ่งใดไม่ที่ไม่เที่ยงก็ขอให้เที่ยงเธอสิ่งใดที่เป็นทุกข์ก็ขอให้เป็นสุขเธอสิ่งใดที่ไม่ใช่ตนก็ขอให้มันเป็นตนเธอ ขอได้ไหมโอ้ขอกันได้ง่ายๆอย่างนี้โลกนี้มันไม่เป็นอย่างที่เราเห็นเราได้ยินเรอ๋ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามคาดหวังถ้าทุกอย่างมีผู้มีอำนาจจริงโลกนี้จะไม่เป็นอย่างนี้โลกนี้มันจะเป็นทุกคนเคยคิดไหมท่านจะต้องมาเรียนธรรมะวันณาทิตย์เป็นโครงการของชีวิตเลยใช่ไหมเชื่อเถอแทบไม่มีหรอกมันมาคิดได้ตอนหลังๆแล้วล่ะก่อนหน้านั้นไม่คิดอย่างนี้หรอก น, นะก่อนหน้านี้นะเช่นตั้งกันเล็กกันน้อยเกิดมาเนี่ยอาทิตย์จันนังคาพูดพูดหัดคิดจะทำอะไรบ้างนนะอเอแรกเลยเนี่ยถ้าคําว่าวันอาทิตย์ต้องคิดถึงอะไรไม่ใช่วันนี้นะก่อนหน้านี้เลยเมื่อหลายหลายสิบปีก่อนเนี่ยนะโอ้ยในหัวเอางี้นะวันนี้ของสิบปีที่แล้วเนี่ยเราสนใจอะไรเป็นพิเศษเงั้นนะยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยสนใจอะไรเป็นพิเศษงั้นนะสาสิบปีที่แล้วสนใจเป็นอะไรเป็นพิเศษสามสี่สิบปีถอยหลังไปเรื่อยๆไปเนี่ยนะ ถามว่าใจของเราน้อมไปไหนแล้วอาทิตย์หน้าของวันวันนี้ของอ่านจะสมมติว่าเวลานี้ของอาทิตย์หน้าน้อมไปเพื่ออะไร10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าชาติหน้าล่ะวันนี้ของชาติหน้าขอคิดเรื่องอะไรเป็นต้นเนี่ยนะคือคือน้อมไปคือใจของเราจริงๆอ่ะน้อมไปไปเพื่ออะไรเนี่ยนะแล้วก็คือย้อนกลับมาว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ทุกคนหวังมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกเนี่ยนะนะหลายๆอย่างเอสรุปว่ารวมๆหน่ะนะ หน้าของเราถ้าเป็นอย่างที่เราหวังนั้มันไม่ได้เป็นแบบหน้าทุกวันนี้หรอกเชื่อเนี่ยนะผิวพรรณของเราถ้าเป็นอย่างที่เราหวังมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้อีกหรอกอายุของเราถ้ามันเป็นอย่างที่เราขอมันก็ไม่เป็นอย่างนี้อีกนั่นแหละแต่ว่าโดยรวมๆแล้วมันเป็นอย่างที่มันอยากเป็นเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นสังขารรูปนั้นมันเป็นอย่างที่มันอยากเป็นมันได้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเนี่ยนะแต่ถ้าเราไปรู้กฎเกณฑ์ของมันมันก็จะเป็นแบบอย่างที่เราต้องการบ้างนิดหน่อย แต่มันก็เป็นอย่างที่มันอยากเป็นต่อไปเวทนาสัญญาสังขารมีญาณมันจะเป็นอย่างที่มันเป็นมันจะไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเพราะฉะนั้นมันเป็นยังไงก็ให้เห็นว่าอย่างที่มันเป็นอาะมันเป็นของที่ไม่เที่ยงอ่ะแต่เราก็บอกมันน่าจะเที่ยงนะเนี่ยนะมันก็คือพยายามฝื้นมันฟื้นความจริงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวิปัสสนาก็คือการเห็นที่ไม่ฝืนต่อความเป็นจริงคือเข้าใจความจริงอย่างทะลุโปร่ง แต่ไม่ใช่ว่าแมมรู้ความจริงเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นคนปล่อยปละละเลยไม่ใช่ยิ่งรู้ความจริงของขันที่ไม่เที่ยงเท่าไหร่ยิ่งไม่ประมาทเท่านั้นยิ่งภาคเพียรเจริญกุศลธรรมทั้งหลายขึ้นท่านั้นก็มณนสิการว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยน ะ, ะเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ใส่ใจว่าถ้าหาวโมวแต่เพลิดเพลินกับปีติสุขที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาอันนี้ไม่ใช่ทางละ ก็เหมือนกับว่าแม้คนที่ฟันอะไรนะฟันต้นไม้ใช่ไหมพอฟันเข้าไปฉับฉับฉับโอู้้มีดเรานี่คมจังเลยก็นั่งรูปคมมีดอยู่นั่นแหละนี่ยนะถามว่าจะสําเร็จไหมหรือเขียนหนังสือไปได้3ตัวเนี่ยนะแม้จะเขียนหนังสือทั้งเล่มเลยนะ่ะเขียนไปได้สามตัวเนี่ยนะโอ๊ยมานั่งชมมาปักกาเราทำไมมันสวยจริงๆลูกกลิ้งลูกลื่นเนี่ยนะยี่ห้อนี้มันพิเศษจริงๆเขียนดีจริงๆเพิ่งเขียนได้สองบรรทัดเนี่ยนะแล้วถามว่าเมื่อไหร่มันจะเขียนเสร็จเนี่ยนะ หรือไม่ก็อ่านหนังสืออ่านพระไตรปิฎกไม่สะกดได้ตาสาตัวอักษรเนี่ยนะอ่านได้รู้เรื่องสามบรรทัดดีใจเหลือเกินเนี่ยนะถามว่าแล้ว เ, ม, วเมื่อไหร่จะอ่านจบเล่มสักทีฉันใดผู้ที่ใส่ใจแล้วมัวแต่ปราบเล่มด้วยสิ่งอื่นมันก็ไม่ใช่ทางแล้วละ่ะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็หมั่นพิจารณาใคร้ครวญเนี่ยนะเจริญเพียงเพื่อแทงตลอดในสัจจะ4ประการเนี่ยนะเมื่อใส่ใจแทงตลอดก็จะแทงตลอด ด้วยการกําหนดรู้เนี่ยนะแทงตลอดทุกขสัจจะด้วยปริญญาแทงตลอดสมุทัยด้วยปานะเนี่ยนะบรรลุแทงตลอดนิโรดด้วยการทําให้แจ้งบรรลุหรือแทงตลอดพระนิพพานด้วยการเจริญอริยมรดคด้วยการเจริญเพราะฉะนั้นจะตรัสรู้ทุกขด้วยการกําหนดรู้ตรัสรู้สมุทัยด้วยการละตรัสรู้นิโรดด้วยการทําให้แจ้งตรัสรู้อริยมรดคด้วยการเจริญเห็นไหม ก็เรียกว่าบรรลุก็บรรลุทุกข์ด้วยการกําหนดรู้นะไม่ใช่มีทุกข์อย่างเอาแล้วมีทุกข์ท่วมทับแล้วนี่เรียกว่าบรรลุถึงทุกข์ไม่ใช่อันนันเรียกคนมีทุกข์เนี่ยคนมีทุกข์กับคนรู้ทุกข์ไม่เหมือนกันเน้อเนี่ยนะเรียกว่าคนรู้จักโรคกับคนเป็นโรคมันไม่เหมือนกันเนี่ยนะเพราะนี้ก็เหมือนกันคนที่รู้จักทุกข์ด้วยปริญญาไม่ได้เป็นคนเป็นทุกข์เลยเนี่ยนะแต่เป็นคนที่มีความรู้รอบรู้ในกองทุกข์เพราะฉะนั้นแทงตลอดรอบรู้กองทุกข์ด้วยการ กำหนดรู้ละเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยนะสมุทัยเนี่ยนะทำนิโรธให้แจ้งแล้วก็เจริญอริยมรรคมันตรัสรู้ทุกข์จึงตรัสรู้ด้วยการกําหนดรู้ตรัสรู้สมุทัยด้วยการละตรัสรู้นิโรธด้วยการทําให้แจ้งตรัสรู้อริยมรรคด้วยการเจริญขณะโซดาปฏิมรรคสกธาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเนี่ยนะตัวที่บรรลุจริงๆเลยคืออริยมรรคอริยมรรครู้ทุกสมุทัยด้วย กิดรู้พระนิพพานด้วยอารมณ์เนี่ยนะทำกิจเจริญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโดยกิดนั้นกําหนดรู้ทุกละสมุทัยโดยอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นขณะผลก็เป็นผลของอรยิยมรรคถ้าโสดาปฏิมรรคแทงตลอดอริยสัตว์จะได้รับผลคือโสดาปฏิผลถ้าสกะทาคามิมรรคแทงตลอดอริยสัตว์จะได้รับผลคือสกะทาคามิผลถ้าแทงตลอดอ ร, ริยมรรคแทงตลอดอริยสัตจด้วยอนาคามิมรรคก็จะบรรลุผลคือ อานาค า, ามีผลถ้าแทงตลอดอริยสัจด้วยอรหัตตะมัช ก, ก็จะดับรรลุผลคืออรหัตผลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็สามารถแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะแทงตลอดด้วยอริยสัจเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาคือคนที่มีปัญญาเห็นอริยสัจว่าว่าคนที่มีปัญญาอย่างต่ำสุดคือพระโสดาบันสูงสุดคือพระอรหันต์เหมือนกันเถอเรียกว่าผู้มีปัญญา ของพวกเราเรียกว่ามีปัญญาหรือไม่มีเรียกว่าจะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ว่าเป็นพักๆไปเนี่ยนะบางครั้งมันก็น้อมไปเพื่อมีปัญญาบางครั้งมันก็ไม่อยากมีอะไรรอกเนี่ยนะเขาบอกว่าเอ้างั้นก็เราเราเราเล่าเรียนพระไตรปิฎกชื่อว่ามีปัญญาหรือยังเขบอกว่างันส่วนผู้ที่เล่าเรียนพระไตรปิฎกจบปิฎกสามทั้งบาลีอัตตกะถาอนุสนที่การเชื่อมต่อเรื่องราวข้างหน้าข้างหลังทรงจําเอาไว้ได้แต่ไม่เคยมณสิการว่าไม่เที่ยงไม่ไม่เจริญ กรรมฐานไม่มนสิการว่าอั น, นิจังทุกขังอนัตตาอะไรเลยก็ไม่เรียกว่าคนมีปัญญาถึงจะจำพระไตรปิฎกจำอาทิตตะปริยัจสูตรได้แต่ไม่เคยคิดว่าตานี้มันร้อนจริงๆจำได้ตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนจกักรวิญญาณเป็นของร้อนลืมตาเมื่อไหร่ก็สวยงามเหมือนเดิมเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็ ไม่เรียกว่าคนมีปัญญาอะไรเนี่ยนะเรียนเรื่องอนัตตาแต่แม้อตตาอตตาในความคิดจริงๆก็อัตตามันก็ไม่เรียกว่าคนมีปัญญาอะไรหรอกมันคนที่มีปัญญาหมายถึงคนที่มีปัญญาเข้าใจแล้วก็เห็นเป็นจริงในชีวิตจริงส่วนผู้ที่เรียนทรงจําไว้ได้เป็นแต่ผู้ยังเข้าใจว่าเออใช่มันเป็นอย่างงี้แค่นั้นเองแต่เมื่อใดย ก, อยกขันอเยตนะใส่ใจโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาตามลําดับ อนุปัสนาเจ็ดคิดว่าวันนี้แหละจะบรรลุวันนี้แหละจะบรรลุเรียกว่าเป็นคนมีปัญญาคนที่ฝ่ายจะบรรลุตลอดเรียกว่าคนมีปัญญาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแต่ในเนื้อหาที่พระมหาโกธิตะยกมาถามภาษาลิบุตรเน้นพวกที่บรรลุเรียกว่าคนมีปัญญาถ้ายังไม่บรรลุก็ยังไม่เรียกว่าผู้มีปัญญาแต่ผู้กําลังเจริญปัญญาเนี่ยนะ ไม่เรียกว่าคนมีทรัพย์นะแต่ก็เรียกว่าคนสแสวงหาทราพัพย์ฉันใดนี่ก็เหมือนกันยังไม่เรียกว่าคนมีปัญญาแต่คนปรารถนาที่จะมีปัญญาเนี่ยนะสำหรับเช้านี้ก็หมดเวลาแล้ะมันก็ขอให้มีปัญญากันทุกท่านเจนพร